หลงจิตคิดแยกดินแดนบางทีมันหลงมันหลงกิเลสมันหลอกหลวงพ่อยังเคยคิดว่าเราสมัยก่อนมันก็ยังเป็นลาวเป็นไทยกันอยู่นะมาเปลี่ยนกฎหมายคนในไทยใต้ร่มธงไตรรงนี่คือคนไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกเมื่อก่อนเขาไปอยู่กรุงเทพไปบินทบททีแรกเขาก็มองหน้าท่านเป็นไทยหรือเป็นลาว เขายังถามอยู่เลยใจมันก็ยังคิดภาวนาไปไปไปแล้วมันหลงเขตหลงแดนนึกว่าตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่จะปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนโน่นเน่มันคิดอย่างนี้ไปไปมาๆที่จะได้สติไปเจอเพื่อนคนหนึ่งมันเป็นนักเลงโตเป็นเนนเหมือนกันมันชวนต่อยมันชวนชกกันกลัวมันกลัวมันด้วยกลัวผเหลืองด้วยเราบวชมีผเหลืองแล้ว จะมาชคมาต่อยกันได้อย่างไรมันนึกในใจมาตอนนั้นมันก็ได้สติคืนมาความยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่เคยทะนงตัวมันก็หายหมดเพียงแค่ไอ้นี่คนเดียวเรายังไม่กล้าสู้มันแล้วจะไปคิดแบ่งแยกดินแดนได้อย่างไรมันก็เลยหาย